มากโออ๋นจำฉินไปเพียเลยแล้วเอ้ผู้ใดไปตัดพักูดกันฮะผู้ท้านเห็นผู้ยิ่งนี่ตายตายเห็นผู้นึงแพ้งไว้ผู้หนึงไปหาตัดตองกัน ว่าเห็นกิจการเรื่องเงิน่อนดูจากม่พระกูดงองงามๆเป็นป่าแตนนานห่อกคนจะมาอยู่ที่นี่เขาถ่ายรูปไว้ถ้าเขามาตรวจเห็นป่าหมดเขาจะว่าเราเกงคือยู่สื่อว่าเป็นบอกคาวาหน้าวิถาแตน่าเห็ดติตัดขอห้องขออยู่จะไปตัด ขอ้ายพระเจ้าบนไก่โนุน่าตบไปด้วยพระสงฆ์ผาาของเขียวตัวอบอกเลยพระวันหน้าไปหาเทตันเทดนี่นหลวงปตัดตจิเรตออกากหัวใจแกบวกิเรตความปรุงความแต่งอะ่ะ อันว่า ป, ปูงแตงติไปเ ế t ทีอว่ปุงแตงห้ใจส ง, งอบทุกกับของอีกไปทุกโกคกใหม่อีกเน่องหลายนานคนเขาพัฒนาคนที่ป ล, ลูกโกใหม่พูทธโตนพู้ทธโตนปลูกแล้วก็รักษาถูกต้องนแค่ดินเย็น นี่ปัญหาตทวิธีตัดนี่แนวดีแนวหนึง่งละกุกใหม่เจ้าเกิดมาธรรมชาติมันบุยจากพี่ใช่นี่ประโยชน์แนวไหนแนวหนึ่งเนียเก็บดินบ่ไทยดินสกรปรกบ่ให้น้มเสาะดินเสาะหยังออกไปมุ่นแหะนี่หามุ่นึ่มมก็เป็นประโยชน์เพ่าะเขาเคยเสียออกเสียออก ฝนตกมากเอาดินหมด <c oughs> ทําไมป่อนก็อยู่์บรรดาดเวลาเดินตรงไหนมันมีดินหลุกปุบบรนตาดอมไม้ไปขวงไวด้ด้คนจากยานตะบนมันแปน่นเด้บนเอาขวงไว้ผู้่อไดเอาไม้ออกปกติคนเห็นไม่อยู่กลางทางแย่ออกไม่แจ๊กะว่าได้เอาออกหมดถึงแทดกแล้แล้วมือนนั้นมาศึกษาอะไรไม่ มีปัญญาตัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปเหยียบให้นั้ามันเกิดฝนตกมามันจะไม่ได้เป็นร่องน้านจะไม่ได้ซอกนี้นิยามไฟไม่นเปลี่ยนไปเมิ่บหน่ยผมีฝนตกแขะๆแต่เราฝนกกระโปกเกือบอีกนะฝนเสีย มันีม่หยาคุเกี่ว่าได้๋ยางไปเป็นอุ้มเป็นยางยุหันโว้ยยังโวยเป็นหน้าเลยมันก็งอเงาเต้าตุ้นยุติปอดไปล่ะเมอกี้เห็นโยมถามหาโยมติวโยมติวมาพบกันไหม่ะอยู่ทางหน้านี่เรื่องสังฆทานนมาข้างหน้าก่อน มาสวดังกระานดเดอจึงรับพรเลยจะเป็นตบะต้องเทศมาหรอกเทศตอนกยังบเห็ดนํา อ, อ, นนอยู่นี่มากข้างหน้าผู้มาใหม่โใหม่ด้วยค่ะบใหม่ค่ะเมื่อก่อนนั่งข้างหน้าคนมาช้านั่งข้างหลังนี่พาว่ามาันจะพาไปใส่เวลา พระกีขาดนี้เดินทนกับว่าบเขาตะทนเขาตติคมาใส่ที่นี่ลงลุูยมน่ะมีเป็นของที่น่าใช่ให้พระสีเกียดติจะมีมาทำบุญหรือทำบาปทำบุญค่ะทบุญพระสีเกียดอิ่นเป็นบาปเลยที่โยมจะต้องเอาเข้าไปในครัวถวบายไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรเป็นปลาเป็น ที่ยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ชอดก็จะมีแบบนี้นี้โอเะเกนไม่ได้อะไรช็อคโกแลตถวายเป็นอ่อเอร์แมนช์้อเปเกนได้เปเนได้เปอรมัดอเปเกนได้นะคะเดี๋ยวก็ถวายท่านไเลยก็ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้แล้วโอเเกนได้อ หกเวันอยู่อันนี้้ไปในัวนะคะกปลเคมพวอวนีมาเม่อัว้ม่อเอากับป๋านม่ให้เอาไว้ที่นี่เดี๋ยวคนจะมาปิ่งู่ที่วัดอ๋อไม่กลัวขาเซอยที่นี่ทาอาหารไม่ได้ไม่ถูกทาวินัยพระฉันแล้มันเป็นกิเลสเป็นบาปรู้อยู่พระเห็นเขาทำเดี๋ยวพระจะทำดพระเห็นเขาทารู้จักไหม ฉันไม่ได้คพระรู้อยู่ว่าเขาทําอาหารถวายพระท่านเฮ็ดจิ๋นโยมบอกเป็นอย่งเฮ็ดถวายมาจําพระพระเฮ็ดถวายพระนะพระรู้อยู่ว่านมั่งสังสิบอย่างข้อที่สิบนี่ยเจากว่ามั่งสังคือเนื้อเนื้อสร้างเนื้อมาเนื้องูเนือเสือเนื้อแมวเนื้อหมาเนื้ออย่างแน่เสือคงเสือขาวเสือเหลียงหมีมออันที่สิบคือเนื้อที่ญาติโยม ทำให้พระรูปไม่นสีว่าลุงพ่อต้มหยั่งมือนี่ลุงพ่อสร้างหยังมือนี่เดี๋ยวนี้มีแล้วตามวัดวันนี้ต้มนั่นวันนี้เพิ่มนี่นี่ขึ้นได้ถับกระดานผุนเห็นว่ายังเคยเห็นนั่นมาแต่งกินมันมันถบวชม่ให้นางแต่ยัไม่ได้ทำนะนั่นละไปทําบาปที่นี้ เนี่ยยมกคุยกันเนี่ยแว่าแข้งพระเอาเราพลาดเดี๋ยวต่มลุามลกค่ะเพื่อบอกเขาใจค่ะแม่ออกมาจากู้ประกบีบีซีเห็นไหมค่ะเป็นพี่สาวมูไหมค่ะชาวเลียวเหมืนแจน้อยค่ะว้าวิ่วมว่าวว่ากันตังไปวอกกันบานลี้ยวร่วมองโผลอันนี้อันนี้เขา ในสโตหรือว่าตะเคงค่ะองไ่ได้เข้าปากพอเค็มก็ได้เอาตะแคงค่ะไม่ตะเคมก็ได้ของใช่ของรับตะเคงคือของเข้าปากซาทุค่ะนันนี้เพราะเขาจิ้เนี่ยล่วงจะไว้ลงตากับเมืองไทยแจกพระ ถาไปเนบาทรึล่ามีูสับผมไปทางนี้ด้ทางเดิมไทางับคนละทาง ม, มีคนใส่บาทนมีโยมผู้หญิงใส่บาทอยู่บ้านหนึ่ับผมได้ส้มมาสมชิ้นไม่ช่ไม่ใช่ไอ้สองคนใช่โอ้โหเอาไจาไังวะนี่เอาให้ไมค่คหน่อย นอนไม่คก็ไม่ไม่ฉันกลางวันเหมือนกันครั้งเดียวหมดหมดแล้วทีพวกจะถ่ายถวายของ หมดเราก็เดแของใส่บาทต้นม่มาีต้นมีหลายอย่างทุกคมีหลายต้นเลยูกใจอยู่าออกมาถ้าจะไปแล้วก็อยากจะเออเอาต้นไม้มาถวายไได้ยังเ่นู้นยังหวแหงอยู่อยากจะได้โอกนี่ก็ยังไม่เห็นว่ามันแขอะยังไม่เอาไปปลูกถามที่ว่าถ้าเผื่อว่าวัดจะจะทนะคะ ขุดบัวหรืออะไรอย่างนี้ได้โปรตสัตนะะบน์จ๊ะเอ่อได้ถามพวกทรศัพทที่เขาอยู่ใกล้ๆคือว่าอาจจะขุดเป็นเล็กๆก่อนเป็นเอ่อสระน้ำนะเจ้าค่ะคือจะได้โปรตสั์เพราะว่าพวกสั์เนือเจะมาน้าแล้วเราก็มีดอกบัวมีอะไรได้อย่นะคะรู้สึกนสีธรมรมชาติก็เลยได้ได้ทีะจ ะ, ะส่งข่าวมาว่า จะได้ถามแล้วก็บริษัทนำพาเข้ามาดูได้เลยว่าจะคุดตรงไหนเลจ้าค่ oh. คืออยากจะคุดตรงไหนคุดสระเล็กๆก่อนก็ได้จ้าค่ะปวดัรี oh. ามากเลยเพราะแล้วก็ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ mm. อย่างวันนี้มานี่จะมีมีพวกมาถวายก็คือว่ า, าต้นต้นประวานโ <laughs> ยงอยู่อยู่ที่นี่มานานบางทีพูดไทยอาจจะตะกุบตะกัก <laughs> เจ้าข่าไม่ทราบว่านอาจารนึกถึงว่าขุดสระนไมเจ้าขอ๋ออันนี้มันเกี่ยวแก่สายพิไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าถ้าบริเวณตรงนี้ถ้าเขาเขาไม่ให้ขุดก็อาจจะขุดไม่ได้คือว่าเขามีบริษัทนะเจ้าข่าแล้วเขาจะทํำทําได้หมดเลยนะคะทางตะกอนมีอยู่ตรงนี้อยู่มีสระเล็กๆก็เลย มีมีแล้วใช่้ยเจ้าคะมีอยู่แต่ว่าถมไปแล้วมันลำบากน้ำเปลืองน้ำไม่ทราบว่าจะเริ่มใหม่ได้ไหมจังคะก็ต้องถามคือเขามีมีบริษัทที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือหมดเลยถามเจ้าหน้าที่ก่อนถามเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลก่อนว่าเขาอนุญาตให้ทำหรือเปล่าทางนี้เขาไม่ค่อยมีเจาะน้าบาดาลเลย อืมไม่ไม่แน่ใจเจ้าค่ะแต่ว่าสะน้ำนี่ขุดกันได้ทั้งนั้นเลยพี่เราอยากน้ำบบนปดับมันมันมีท่เก่าอยู่ได้เจ้าค่ะตาน้ำประดานิยหน้าคุติแม่ชีเจ้าค่ะถ้าเกิดเป็นความต้องการยมยมจะไปหาข้อมูลให้จ้าค่ะแต่เรื่องสะยังไม่ต้อง เล็กเนี่ยคือว่ามีดอกบัวแล้วก็มีมีนกมีสัตว์อะไรได้ร่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าค่ะแล้วก็ในวัดก็ได้มีน้ํามีดอกบัวไม่ได้บอกร้อมเอาใส่กระถางไว้ก็ได้น้ําให้สัตว์กินสารเล็นะเจ้าค่ะไม่ต้องใหญ่เลยใส่กระถางเอามันลําบากเกี่ยวแก่รักษาอ่ะไรแบบบางที เด็กว่าวิ่งเขาไม่เป็นตกอีกกล้าลำบากอีกแล้วเดี๋ยวค่ะน่าจะดีเพราะว่าวัดจะได้จะได้มีน้ำาล้วร่มเย็นเพียสุดจริงๆโปดโดสัตว์น้าดีอยู่น้าก็กน้ํประดาที่มันใช่ได้ไไดถ้าเป็นสระมันใช่เอาไปอาบไม่ได้ เออเป็นเป็นเป็นสวนสัดอกบัวเท่านั้นเลยจ้ะค่ะดอกดอกบัวก็ไม่ดีไม่เข้าใจนางบดอกบัวก็ไม่ดีเพราะเพราะคนจะมาตัดมาบูชาเป็นบาปอีกถ้ามีดอกบัวแลเดี๋ยวไอ้บูชาถ้าดอกไม้มาบูชาก็ผิดศีลอีกเห็นแต่เมืองไทยเนี่ยเอาดอกบัวไปบูชาเป็นบาปไปตัดเขามาแล้วก็ทำให้คนหลงทางเดิน แต่ว่าเขาทำเหมือนขุดได้เริ่มเล็กๆนะเจ้าค่ะ เ, เล็กตัวไม่ให้ทำทำมันลำบากเกี่ยวกักดูแลมันที่รับแคบท้าที่กว้าง ๆ, นะๆไปถ้าด<ม>ีก็ไปจ้างให้ไปขุดวัดปะกุงก <laughs> <laughs> ันอยากได้สายใหญ่ยูอยากได้คลองตามบริเวณ รอบวัดจึ่เมืองไทยนั่นแต่ที่นี่ทําลําบากทําอะไรกขออนุญาตโดยเฉพาะเรื่องเราทําขออนุญาตทําที่นี่บอกว่าสถานที่สาหรับปฏิบัติธรรมจะไปทําอย่างอื่นเขาไม่ให้เขามาตรวจสอบเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ทําผิดระเบียบเขาจะว่าอี ก, ก็ไล่พระนี้อีกเพราะฉะนั้นต้องถาม ายทางเทศบาลซะก่อนทุกอย่างทาอะไรทุกอย่างแน่นอนจะมาที่นี่ทำอะไรถามหมดเลยยอมอยู่ที่นี่มานานแล้วนั่นแหละก็รู้ดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรหรอกจะต้องขออนุญาตทุกอย่างเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใน้ากหรอังกฤษนีสำหรับสระน้าไม่ชอบกันไม่ใช่แบบกบดูทาที่ดินเยอะๆอะไรที่บริเวณรอบขอบคลอม ขุดเสร็จเรียบร้อยต้องล้อมน้ำบักจับไม่ให้คนเข้าคนออกที่นี่ตามโยมคิดก็อยากให้ปลูกเดี๋ยวเราเกิดมีอยู่เมืองไทยก็ปลูกให้เป็นสาบัวแต่ดึงมาแต่ทราบว่าพระคุณเจ้าอยจะปรูกต้นไม้อะไรี่ใดเวันนี้โยมเอามาก็มีต้นอะละวานเจ้าค่ะต้นกละวานอะไรก็มาได้ขอให้เป็นต้นไม้ อันหนึ่งคือว่าจะช่วยความจําแล้วก็ทําอาหารได้ด้วยเหมือนกับว่าต้นตะวันนี่ก็เหมือนกันทําอาหารได้ด้วยแล้วบางทีเป็นที่อยู่ของสัตว์พวกนกชอบค่ะ <c oughs> น<ก>นี่อยู่ตามรอบรั่วที่บริเวณจะปลูกทั้งน้ำบางปกปกอยู่ปลูกไร่อยู่แต่ยังต้นตไม่ยังไม่ค่อยมียังเป็นนิลกวงนี่ ถาถอนต้นพักกุฎเรากันไม่หักเราไปปลูกไงแล้ว <c oughs> ได้ไปถอนยังไปไปตรวจบ้างเยอะเราหากขึ้นเดี๋ยวไปปลูกดู <c oughs> ปลูกวันเดินเดินถิ่นบ่มีก็ผะกกุฎห้องเพิ่งครึ่งขึ้นปีนี่เนี่กลายไปก่อนมันไปหมดมันไม่ขึ้นมันในอยู่ในดินปีนี้ขึ้นทะลุขึ้นมาหรอกโอ้ไปเดินบุรุษเกี้ยนนี่เหตะกร้อมักกุฎโอ้ยบาดหัวใจ ที่พระคุณเจ้าอยากจะปลูกต้นไม้มันมาดูเป็นเขียวที่ ก, ก, กว้างลสนาาัตว <c> ์ <oughs> ไปบงังที่เดินตรงกรมที่นั่งสมาธิก็บังบังหน่อยเราที่นี่โดยเฉพาะนกเยอะเลยค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็เอามาถวายเป็น เ, เล็กๆคล้ายๆกับอุปรสรรคอะไรเดี๋ยวไปเห็นก็รู้จะใส่ว่าแล้วนกนกเป็นหัวสีทองจะมาพอมา เล็ดตกลงไปนะเจ้าค่ะต้นจะขึ้นมาแล้วพวกนี้จะมารวมกันตัวนิดเดียวเจ้าค่ะเขาเรียกเขาเรียกที่นี่เขาเรียกโกโก้ฟินช์แล้วก็หัวสีสีแดงสีเหลืองไม่ไม่ใช่เป็นเล็ด เ, เ, เ, เป็นเป็นต้นไม้หรือต้นไม้ไหมที่เอามาให้ปลูกเ <laughs> จ้าค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันแล้วแต่ เมล็ดก็มาได้เจ้าค่ะแต่ว่าเมล็ดนี่นกโอษมากเลยนกจะพอนกพันนี้นะนะเจ้าค่ะเอามาหวานให้มันเอามาหวานให้มันกินเลยเอามาหวานให้มันกินเลยเมารด้วยเจ้าค่ะอืมขบถึงสารลอ่าอมีอะไรก็ไปรับทราบแล้วให้ตั้งใจรับพรเดี๋ยวไปใส่บาือ Abhava.